ตั้นประโยคาวะจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาการก่อนเจริญได้กรรมฐ า, านก็ขอนำเอาเรื่องอุปรกรรมของพระมหาสาวกอย่าลืมนะค ร, รับว่าเรื่องนี้ตามพระบาลีได้ให้เรื่องว่าเรื่องสันชัยปรีภาชก แต่ความจริงในเรื่องสั้นชัยบริภาชกที่มีอยู่นิดเดียวผมเลยเปลี่ยนชื่อเรื่องสมัยป็นบุพกรรมของพระมหาสาวก <c oughs> เพราะว่ามีพระมหาสาวกและอักษรสาวกมากที่มีในเรื่องนี้เป็นบุปพกรรมของท่านวันก่อนได้บรารกถึงเรื่อนโกริตะกับอุปติสะมีขบวนแห่ต่างๆ มีบริวารคุณห้าร้อยมีเสลียงห้าร้อยหรือว่ามีรถเทียมมาสินทบมาชานายห้าร้อยเป็นต้นก็พากันไปดูมรณรศพที่เขามีประจำปีด้วยวหมู่ญาติไปพากันยกเตียงซ้อนเตียงหมายความว่าเตียงที่ชาวบ้านเขานั่งกันน่มันปกติ แต่ว่าเตียงของท่านนันหลายพวกนี้ทั้งสององค์นี้ก็ยกให้สูงกว่าคนธรรมดาเป็นเตียงช้อนเตียงจะได้มีเกียรติสูงพระบรรลุคนมีเกียรติเพื่อเต่งหุ ม, มาณท่านสองเตกล่าวว่าในที่เดียวกันนั่นเองท่านนันสองก็นั่งร่วมกันอุ ม, มาณท่านสองก็นั่งดมูมโรสพร่วมกันเวลาที่คนจะวเราะ นเครงกโหระเวลาที่ควรจะสังเวชสลดใจในขณะที่มรรสบแสดงก็สังเวชสลดใจเวลาที่ชอบใจขึ้นมามากๆก็ตกรางวันในฐานะที่ควรให้รางวันเพรนั้นว่าวันหนึ่งเมื่อท่านกุ ม, มารทั้งสองไปดูมรรสศพในธรรมนองเดียวกันนั้นวันนั้นเวลา ที่น่าจหูหัวเราะบรรดานักนแสดงแสดงให้ขบขันเนื่อควรจะสังเวชในขณะที่สแสดงความเศร้าสลดเสียใจในเวลาที่ควรจะให้รางวัลท่านได้สองงดหมดวันนั้นแด้สองเงียบไม่หัวเราะไม่สลดใจไม่ให้รางวัลไม่ทำอะไรสมหมดเพราะว่า มีอารมณ์คิดขึข้นมาอย่างนี้ว่าการที่จะมานั่งดูมโหรสบยู่อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรการที่ดูแบบนี้ชนทั้งหมดที่ดูมโหรสบก็ดีนักแสดงก็ดีเราเองก็ดี มันไม่ทันจะเกินร้อยปีหรือไม่ถึงร้อยปีก็จะทิงกับความตายหมดไม่มีอะไรที่จะมาหข้างความตายได้ถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองควแสวงหาทำให้เครื่องพ้นจากความตายจัดว่าเป็นธรรมอย่างเอกท่านบอกแต่ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าท่านถือเอา อ, อารมณ์ที่นั่งอยู่แล้วนั่นแหละโดยลําดับ โกริตะโกริตะนั่นคือพระโมกคัลลาได้พูดกับท่านอุปติสสะนหมายถึงภาษาอีบดท์ว่าสหายที่รักนี่วันนี้เป็นยังไงไปท่านจึงได้ไม่ร่าเริงมหมือนคนอื่นท่านไม่มีใจเบิกบานเสเลยท่านนึกอะไรหรือทอุปติสสะก็กล่าวว่าก็โกริตะเป็นรัก เรานั่งคิดเรเหตุนี้ว่าการดูคนเหล่านี้สนแสดงมรรสพบคนดีดูคนนั่งดูมหรสพบคนดีมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์การดูอย่างนี้หาประโยชน์ไม่ได้เราควรจะหาทางดูกันใหม่ดีกว่า นั่นคืคูดูว่าทำอดไที่เป็นปัจจัยให้คนไม่ตายในโลกนี้มันมีไหมนึกว่าท่านเห็นเป็นยังไงตัวท่านเองก็เหมือนกันจึงไม่เบิกบานไม่ผ่อสใยนี่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ท่านโกรแตาก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันเนะี่ยวันนี้ไม่รู้มันไปยังไงนงั่งมองนักเต้นแสดงนักกรรมทั้งหมด มันไม่สนุกสเส้นเลยผมนึกว่าแกเต้นไปเต้นมาไอ้คนเต้นแบบนี้ต่างคนต่างก็ตายไปตามๆกันเยอะแล้วคนดูมองเราศพอย่างพวกเราต่างคนก็ต่าง ต, า, งตายไปมันทัานมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าไม่ช้าเราก็ตายจะมานั่งดูก็เพื่ออะไรท่านกล่าวว่าลำดับนั้นเท่ากับดิสส์สทราบความคิดที่ในโกดิตะ ยังมีความคิดเช่นเดียวกับท่านยี่นี่กล่าวว่าสหายเอ๋ยเราต้องสองคิดเหมือนกันก็เราควรสแสวงหาโมกตธรรมเพื่อทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายธรรมดาผู้สแสวงหาจะต้องได้บรรพชาชนิดใยชนิดหนึ่งจริงจะควรเราจะเดินไปหาแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่มันไม่เหมาะ ท่า น, นเราทั้งสองคนยมบรรชายในสนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาตอนนี้ก็อยากจะมานั่งมาคุยแยกทางกันสักนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ว่าการฟังสูตรเราก็อยากฟังแต่เรื่องมานั่งคิดถึงความดำริของท่านทั้งสองเพื่อนโกริตะขปฏิตะ ท, ที่เรียกรู้ว่าพระโมคคขลาหรือภาษาลิบุตร ท่านคิดว่าคนในโลกทั้งหมดที่มันดูมรรสก็ดีตัวท่านเองก็ดีนักสนแสดงก็ดีไม่ไม่มีใครเหลือไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดหรือไม่ถึงร้อยปีอารมณ์อย่างนี้ขอท่านผู้รับฟังทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านทรงตัดเรียกว่ามรณานุสติกรรมทาน การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นอารมณ์ข้อบุคคลผู้ไม่ประมาทและนอกจากนั้นท่านเล่าสอนนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างเดียวปรับมีความรู้สึกว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วทำที่ทําบุคคลให้ตายมีอยู่ก็ต้องมีทำที่ทําบุคคลให้ไม่ตายมันก็ต้องมีหม่ขัน เธอขอเน้สองอย่างนี้เป็นของคู่กันเหมือนกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในความมืดกับความสว่างนี่เมื่อท่านหลายฟังแล้วก็พกรุณาจำเอาไปคิดไปด้วยช่วยกันคิดช่วยกันนึกว่าคาตินี้ท่างสองท่านยังไม่พบองค์สมเด็จพระสีนสียังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็กิ่นแล้ว แล้วก็ในระยะนั้นท่านก็ยังเป็นคนหนุ่มไม่ใช่คนแก่นั่งคิดในั่งคำนึงถ้าพวกเราทั้งหมดช่วยกันคิดช่วยกันคำนังอย่างนี้ที่ว่าต่างคนต่างไม่ช้าก็ตายในความตายนี้ถ้าเรายังเยะคบกิเลสตัณหาอุปาทาน แ, นและกุศลกรรม หรือว่าเราจะครบโลกธรรมทั้งแปดตการเอาสี่ก็แล้วกันเพื่อหนึ่งอยากจะมีลาบสองอยากจะมียศสามอยากจะให้ชาวบ้านเขาั้งเสริญสี่อยากจะมีสุขในการมารมก็ชี่ว่าเราไปคุณโง่เกินไปเพราะสิ่งทั้งหลายตอนนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อลาบมันเคยเกิดขึ้นกับเรา มันเกิดแล้วมันก็เสื่อมสลายตัวได้ถ้าเังคิดว่าราบคนราบคนจะมีกับเราเมื่อซาราบมันไม่เกิดขึ้นความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็จะปรากฏแตจะมานั่งติดราบติดยอดก็ไม่มีเกิดประโยชน์เป็นอันว่าเวลานี้ว่าเรามีข่าวพิเศษถ้าบอกว่าเขาลือกันเขาหาว่าผมเป็นพระรหันต์กัมัง้ง ก็บอกว่าพระอรหันนอะไรยังห่วงทรัพย์สินอยู่อีกพระอรหันนอะไรครัวตายแด้วยความจริงก็ไม่เคยยกป้ายบอกผมเป็นพระอรหันต์นักนะด้วยความจริงเรื่องทรัพย์สินที่พวกท่านทั้งหลายแสดงความดีมีความกตออัญญูตะเวีธีต่อองค์สมเด็จตระสมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่เขามาถวายนี่เขาไม่ได้ให้เรา ถ้าเราไม่ประกาศตัวเป็นสาวกโคอ ง, องคสมเด็จตระสมารัรพุทธเจ้าเรียกว่าลูกดีกว่าถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครที่เขาเอาทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มาให้เราเราจะไม่มีประโยชน์จากทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เลยไม่ใครก็าให้แน่เพียงแค่เราบวชก็มาแล้วไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่มีใครเขาให เวลานี้ท่านนั้นหลายภาคกันมีความห่วงใยทรัพย์สินของพระพุทธศาสนายอมฟรีความสุขแทนที่จะนอนสบายสบายจเจ้าเปรียบพระพุทธศาสนาโดยการไม่สนใจว่าทรัพย์สินของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเขาช่างขอให้ฉันมีความสุขแล้วกันท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นกันพระจำลองยี่สิบเจ็ดอ ที่ขอรับภาษาดูลแลทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ที่มีแรงแน่นอนจากนั้นที่ท่านมีความหวังดีก็อยู่ในสถานที่เคยดูลแลจุดต่างๆเกรงว่าทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาจะสลายไปเพราะว่านี่มันเป็นความดีของท่าน เพราะท่านเป็นคนมีความกระตันอยู่รู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะ น, นชาบ้านเขาจะลือก็นว่าอย่างไงนั่นมันเรื่องของเขาแต่ผมทราบดีว่าจิตใจเขาบรรดาท่านนั่นหลายไม่มีอะไรมีอย่างเดียวคือ ม, มอบกายถวายชีวิตแต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลานี้ดินข่าวอยู่เสมอพระพระที่นั่นตายบ้างพระที่นี่ถูกปทุศรายบ้างด้วยคนร้ายประทุศรายแต่ว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความกตัญญูรู้คุณคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟรีความสุขก็าอาจจะถึงกับฟรีชีวิตก็ได้แต่เหตุไรจะพึ่งเกิดแต่ทรัพาบถึงกับศาสนา อย่างนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ผมว่าดีแต่ว่าคนดีนี่คนเลวก็เกลียดนะดีไม่ดีเขาเลยบอกพวกท่านเนี่ยถือปืนผาหน้าไม้แต่ผมเห็นท่านเดินเมื่อมาจนกว่าเดินไปไม่มีใครถืออะไรนี่มันเป็นข่าวเล่าลือประเภทนี้นินทาประสาวสาจําให้ดีว่าเป็นโลกธรรมดา พคนดีเกิดมาในโลกนี้ต้องมีการถูกนินทาด่ันเสืส่อเรื่งองซ้อมราการนี้เป็นกฎธรรมดาเราดีหรือเราชั่วอยู่ที่การประตปฏิบัติของเราใครเขาว่าเราดีถ้าเราเลวเราไม่ก็ไม่ดีถ้าว่าเราดีถดาว่าเราดีแล้วใครจะว่าเราเลวเราก็เลวไม่ได้ ถ้าเราเลวเขาชมมันดีเราก็ไม่ดีความดีและความชั่วมันอยู่ที่ตัวพระพุทธปฏิบัติใ น, นกระองค์สมเด็จพระสงน์ริวัตริศภาจัดเป็นพระวาลีวาทนิมิตรตางสาธรู ป, ปานังกตัญญูกตเวทิตาเรียกล่าวว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่ท่านผู้ทำแล้วและตอบสนองคุณท่านด้วความดี อันนี้องค์สมเด็จพระจีนศรีทรงยกย่องว่าท่านบุคคลนั้นเป็นคนดีฉะนั้นเวลานี้ท่านห่วงใ ย, ยทรัพย์สินเขาเศาสนาเป็นของดีแต่ว่าท่านไม่ได้ห่วงร่างกายของท่านท่านไม่ได้ห่วงชีวิตของท่านร่างกายของท่านอาจจะถูกทำทรมตรายเมื่อไรก็ได้ชีวิตของท่านอาจจะถูกคนร้ายประทุสร้ายเมื่อไรก็ได้ นั้นแต่ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ท่านพยายามระมัดระวังก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาเหมือนกับข้าราการรักษาของหลวง น, นถ้าใครเขากว่าไม่ดีก็ช่างเขาบางทีเขานั่นแหละจะลืมความดีไปชะแล้วเห็นว่าการรักษาทรัพย์สินพระองค์สมเด็จพระบพทษแก้วเป็นการรักษาศรัทธาข้ามันดาท่านพุทธบริษัทเป็นของเลว เนเรื่องของเขาแล้วเขามากล่าวหาว่าผมเป็นพระอรหันต์ทำไมยังได้ห่วงชีวิตกลัวตายห่วงทรัพย์สินนี่ผมก็ไม่เคยประกาศตนว่าผมเป็นพระอรหันต์ในเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวถ้าผมห่วงสักอย่างเดียววัดจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไม่ได้พวกท่านจะมีความสุขกันไม่ได้เลยถ้าอยู่ในวัดนี้ ก็รใครเข้าเงินมาให้ผมตามมัธยายใสผมก็เก็บไว้ฝ่าธนาคารให้เขาคู่เสียได้ที่เราที่ก็ทำอย่างนี้เงินตามมัธยาใสของผมมันจริงๆแล้วมันนับล้านในเวลานี้อย่าไปล่วงกระเป๋าผมเลยผมก็สร้างนี่มันต่อไปให้วัดมันจเจริญรุ่รงเรืองให้ได้ ให้พทธบรรดาท่านหลายที่มาไปพฤทธปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยมีความสุขตามสมควรที่เรายังไม่อดกันตายเวลานี้มีไฟฟ้าสว่างมีสถานที่ดีนี่ก็เงินที่เขาถวายมาตามอธิญาสายส่วนใหญ่ผมก็จ่ายลงไปในนี้เี่ส่วนหนึ่งก็จ่ายไปในส่วนสาธารณประโยชน์เวลานี้เงินส่วนตัวก็ไม่มี เขาเบาผมห่วงทรัพย์ของผมนี่ผมก็แปลกใจแต่เพราะว่าไม่หนักใจนะครับอย่าคิดว่าผมไปโกรเขาเขาไม่โกรธผมรักถึงบอกว่าเคยกล่าวว่านัติโลกลีอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่ผมสงสารคนพูดสงสารในตรงไหนตรงสารนี่เขาต้องมีความลําบากใจไปนั่งคิด ไอ้เรื่องท่านหลายเหล่านี้แต่ความจริงถ้าเขาจะดีสักนิดแต่เขาถามความจริงแล้วเขาจะหนักใจตามผมแต่ก็จะรู้อยู่ว่าไอ้เงินที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวกี่สตังค์เดือนหนึ่งส่วนตัวจริงๆมันถึงร้อยห้าสิบบาทก็บนตัวแล้วองกะว่าไม่เกินแต่บางทีมันไม่ถึงถ้าส่วนใหญ่ไปไหน เพงินดูที่เวลาก่อสร้างอะไรผมได้เงินมาจากไหนอะไรก็ช่างพอหรือไม่พอก็ไม่สําคัญเงินส่วนตัวให้มาเท่าไรผมก็ใช้หมดเท่านั้นคอยงานก่อสร้างหรือว่างานจา่ายค่าพตฒนา ห, าาาหาันค่กระแสไฟฟ้าการมารุมความสุขของบุคคลผู้มาปฏิบัติสมถะวิปัสนาและบรรดาวิสุทธิสมทั้งหลายมีความสุขเท่านั้นนี่แต่ว่าผมเป็นคนห่วงทรัพย์สินจริงๆแล้วก็ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันยังปรากฏขึ้นมาไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้เป็นอันมาเรื่องนี้ท่านฟังข่าวแล้วก็จะไปโกรธเขานะถือว่าเขาเป็นครูสำหรับเราจะได้รู้ว่าโลกนี้การเกิดมาเป็นคนนี้มันไม่ควรจะเกิดเราจะสร้างความดีสักเพียงใดก็าตามทีคนชั่วย่อมมองมเห็น อันนี้ถ้าหาว่าเราเกิดมาอีกกี่ชาติเขาตามมันก็จะถูกอารมณ์อย่างนี้เพราะว่าเราเอิญเราวางไม่ได้ใจเราจะเกิดไม่สบายฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมเณรทั้งหลายและอมบาสุอมบาศิกาที่มีความห่วงใยทรัพย์สินของพุทธศาสนาจงเบาใจว่าข่าวที่เลื่องลือออกไปนั้นมันเป็นเรื่องของข่าวเป็นของธรรมดา คำว่าข่าวนี่มันก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนถ้าจะไปถามใครเขาจริงๆให้บอกเขาว่าเนื้อเขาผู้ว่านั่นแหละถ้าหากว่าบางเอิญเขาจะมาอยู่กับเราบ้างเขาจะมาร่วมกับเราเขาจะไม่ยอมเพลีความสุขของเขาอย่างกับพวกที่ท่านทําเนื้อเขาจะไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของเขาอย่างกับที่พวกท่านทำเพราะอะไรเพื่อว่าเขาก็จะมานั่งเอา เรียเอาความสุขกับพวกเราแล้วก็มานั่งจ้องดูว่าพระพวกนี้ทําอะไรกันทําดีหรือไม่ดีไม่ได้ถามแล้วก็วิภาควิจารณ์ไปตามอธิยาสัยนี่มันเป็นธรรมดาของโลกขอท่าหนหลายยันหนักใจย่าวันไหวในท่องธรรมประเภทนี้คนดีเขามีความสุขเองถ้าเขามีความชั่วถ้าเขามีจิตของเขาชั่วเขาก็มีความทุกข์ นี่เราจะเห็นได้แล้วว่าเขาชั่วเขาไม่ได้ดีแต่คนดีเขาก็ถามก่อนแม้แต่อ ง, องสมเด็จพระจินวรบรมาศาสนายกถูกคนดา่าคนว่าแบบนี้นี่เรากำลังคุยกันในเรื่องเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าถูกดา่า ตอนนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังถูกด่าได้ก็เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถูกด่าก็ไม่ก็จะชื่อว่าไม่ใช่ลูกแท้นขอบรรดาท่านหลายทําไปในเมื่อท่านทําดีอย่าไปสนใจก็ถ้อยคําที่เสียดสีนิ่งทาว่าร้ายมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าจิตไปจับเข้าอารมณ์ใจจะเกิดโทษมีความเศร้าหมองการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาจะไม่มีผล อย่าไปยุ่งกับบุคคลที่มีอารมณ์เป็นอกุศลเป็นปัจจัยข้อบายภูมินี่เตือนกันไว้แล้วก็ข่าวมีมาเมื่อข่าวมีมาผมก็เกรงว่าท่านหลายจะสะดุดใจสะดุ้งใจอย่าเสียกําลังใจเพราะท่านกําลังทําความดีฉะนั้นขอถือว่าถ้าท่านทําความดีแล้วโจ้รักษาความดีของท่านไว้ไม่เกลือรักษาความเค็ม อย่างนี้อีกเราจะต้องถูกนินทาต่อไปเพราะงานใหญ่ที่เราจะทํำคือก็คือการสงเคราะห์คนผู้ยากจนเขินใจถ้าหากว่ามีบรรดา ญ, ญาติโยผพ้ตุบริษัททธ์หลายให้ทรัพย์สินมามากไม่ช้าหรอกเขาก็จะบอกว่านี่แบ่งทรัพย์สินเอาไปแบ่งกินกินไปซื้อไร่ซื้อนาให้กูก ค, คนอีกที่ท่างหลายเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะว่าข่าวอย่างนี้ไม่ช้ามันก็จะมาใหม่ ถ้าถ้ามันมาวันอะไรก็ยิ้มได้บอกฉันรู้แล้วจ้ะว่านายหรือเธอจะว่าฉันอย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเธอหรือนายผู้นั้นไม่ได้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสูนทันบรมศาสันดาลเป็นผู้เมาไปในลาบยศสเสริ่สุขจัดว่าเป็นโลกธรรมช่างเขาอยา่อนะอยากโกรธเขานะแยกโกรธเขาอย่าไปอย่าไปต่อว่าต่อค้านกับเขาอยา่าสะเทือนใจทําใจเขาเราสบาย มาฟังเรื่องราวของท่าอากศาสาวกทั้งสองต่อไปว่าโดยสมัยนั้นท่านสันชัยปฏิภาชกองคนนี้ก็คนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญที่ด่าองส์สมเด็จพระพชาวันบรมศาสัญได้อย่างหนักแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธต่อไปจะฟังข้างหนา้าพระพุทธเจ้าถูงด่ายิ่งกว่าเราท่านยังไม่สะเทือนเราเป็นลูกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถูกด่าบ้างจะหนักใจอะไร เนนั้นว่าท่านสัญชัยบริพาชกอาศัยอยู่ในกรงราชคฤห์กับบรรดาบริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่มากเป็านคณาจา์ใหญ่พระสารีบุตรและพระมุขค ล, ลาทั้งสองท่านนั้นตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสัญชัยคนนั้นต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคน ไปไดีคำว่าท่านนังหลายจงเอาเสลียงและรถไปเถิดกลับไปพร้อมด้วยมานบอีกห้าร้อยคนบบดแล้วในสำนักข้อสันชัยตอนนี้ท่านฟังเข้าใจไหมเป็นอว่าต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคนหมายความมีมีบริวารกันคนละห้าร้อย้ส่งไปคนละสองร้อยห้าสิบให้กลับบ้านเอารถและเสลียงกลับ บริวารอีกคนละสองร้อยห้าสิบเอาไปด้วยไปบทในสนักของท่านสันชัยปรีพายชกยำเดิมแต่ท่านนังสองบทแล้วท่านสันชัยก็ได้ถิงกค่ความเลิศดไปได้ลาบมีลาบมากมียศใหญ่เพราะท่านสองท่านนี่เป็นลูกพ่อเมืองเล็กๆผมไม่กล่าวว่าเป็นพ่อเมืองใหญ่ๆ ให้เป็นบูดพูดพ่อเมืองเล็กๆคนมีบริวารคนละห้าร้อยนี่มันไม่ใช่กำลังแล้วและก็ไม่ใช่บริบานต้องเป็นลูกเจ้าเมืองในเมื่อลูกเจ้าเมืองดาสองมาอยู่พวกบรรดาญาติโยมฟักพวกกมมากันใหญ่ท่านสันชัยก็มีลาบมากมียศใหญ่มีการยกย่องส่งเสริญ นี่แหละท่านสันชัยที่ด่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเดินสองไปหาพระพุทธเจ้าลาบมันหมดไปยศมันหมดไปการยกย่องสรรเสริญไม่มีท่านยิงโกรธหาเรื่องหาเราทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เมืเสียในที่สุดท่านสันชยัยก็ท่านก็เป็นผู้เสียเองเหมือนกับคนที่เขาเอาเรื่องของพวกเราไปโจยกันเหมือนกัน เขาวพวกนั้นคนอยากเสียลาบเสยการะเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะสำนัของเรานี่ถูกจุดต่างๆเข้าเพ่งเล็งกล่าวโทษโจ์เรื่องที่ไม่เป็นความจริงอยู่เสมอเปน็นเากล่าวเรื่องต่อไปว่าท่านทั้งสองเรียนลทัทธิข้อนสนชยัยได้สองสาวันเท่านั้นก็จบสองสาวันที้เราเรียนจบแล้วก็ทำได้ ถามอาจารย์ว่ารัติของท่านที่มีความรู้ในมีเท่านี้หรือครับความรู้ที่ยิ่งกว่านี้มีไหมท่านสัญชัยก็ตอบว่าความรู้มีเพียงเท่านี้ทั้งสองเธอเนี่ยเธอทั้งสองเรียนจบคนแล้วท่านเด็กสองจะในคิดในใจว่าเมื่อความรู้เพียงเท่านี้การอยู่ประพฤติปรมจรในสำนักของท่านพ้นี้ไม่มีประโยชน์ เราทั้งสองจะออกแสวงหาโมุขธรรมต่อไปเป็นอนุโมทธรรมวันนี้ยังไม่หากันเพราะผมเลี้ยวเข้าข้างทางเสียเมื่อเอินเวลาก็หมดก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นอนวุวาขอท่านทั้งหลายที่รับฟังยอตั้งใจสนับแล้วก็นำไปคิดไปไปพฤสปิบัติ ว่าทำใดที่องค์สมเด็จตระทรงสวัสดคืออากาสาวกทางสองดำริมาแล้วคิดมาแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องให้คิดตามนั่นจะมีผลคือไม่ลืมความตายให้คิดไว้เสมอ ว, ว่าทำที่ทำให้บุคคลทำควาเกิดแล้วก็าาตายได้มีชั้นใด <c oughs> ทำที่ทำให้บุคคลไม่ตายก็ต้องมีฉันนั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคล สมบูรณ์ปุณฑรจงมีแดทุกท่านผู้สนับสนุนดี